ทนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งอันนี้เป็นพุทธกิจใช่ไหมคือตอนแรกพระ อ, องค์ก็แผ่ เ, เจริญมหากรุณาไปในสรัรพพสัตว์ทั้งหมดก่อนอย่างที่สองก็ตรวจดูว่าใครมีอัธยาศาัยบังเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ละกิจอันนี้ในเวลาใกล้รุ่งพระ อ, องค์นี้ตรวจดูเวนัยสัตว์วันละสองครั้งคือภาคกลางเช้ามืดครั้งหนึ่งเนี่ยนะกับอีกครั้งหนึ่งคือตอนบ่า ย, ายๆด้วยจะ้ะวันละสองครั้งคือแผ่ จเจริญมหากรุณาเนี่ยให้เต็มที่ก่อนถามว่าทําไมต้องจเจริญมหากรุณาก่อนถ้าไม่จเจริญก่อนนะจะน้อมไปเพื่อจะหลีกเล่นเนี่ยนะไม่ไม่อยากพูดไม่อยากจะเทศไม่อยากจะสอนไม่อยาอะไรนะถ้าโดยธรรมดานะพันก็ต้องจเจริญกรุณาเนี่ยแผ่ไปก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจดูอุปนิสัยก็พิจารณาดูสัตว์โลกทีนี้ชัมพุกะชีวกนี่ก็มาปรากฏในขายพยานภาษาสดาใไข้ครวนก็เห็นอุปนิสัยแห่งผ้ารหารพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาของเขา นะในอัตเถรคถาท่านบอกว่าไออุปนิสัยแห่งอรหัตตมรักเนี่ยรุ่งเรืองภายในใจของเขาเนี่ยเหมือนประทีปในหม้อเนี่ยนะคือคื อ, คอใครจะไปรู้ว่าคนอย่างนั้นมีอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรักอยู่พันเราก็จะไปในที่นั้นเนี่ยนะแสดงธรรมให้ชัมพุกะชีวฟังคาถาคาถาหนึ่ง ทีนี้หลังจากจบเนี่ยสัตว์8ปดหมื่นสี่พันจักรตระรุ่นทำอาศัยกุลบุตรนี้มหาชนจักถึงความสวัสดีนะถ้าไปโปรดนะโปรดได้กุลบุตรคนนี้ด้วยแล้วก็กลุ่มสาวกที่มานับถืออาชีวกนี้ด้วยจะบรรลุแปดหมืี่พันเนี่ยนะก็คิดดูนะว่าขนาดผู้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะก็ยังไปนับถืออรหันต์แบบนี้อยู่นะอรหันต์แก้ผ้าอารหันต์กินลมกินอุจจาระอยู่เลยว่างั้นเถอะ ขนาดว่าชาตินั้นมีอุปนิสัยใช่ไ ห, ห้เห็นภายว่าเออการเกิดในวัฏตะมันพร้อมที่จะนับถืออะไรก็ได้ที่ที่เขาสมมติกันว่าดีนีพอพระองค์ตรวจดูพระองค์ก็ตรัสบอกกับพระนอนว่าอนุนเราจะไปสู่สำนักของอชัมภูกาชีวกเนี่ยนะพระองค์เท่านั้นหรือจักเสด็จไปพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าเราจัะไปแต่ผู้เดียวตกเขาบอกว่าพอพระองค์ตรัสเล่าไวา้อย่างนี้นะเวลาบาย พระองค์ก็จะไปสํานักไดชีอาชีวกเทวดาก็เลยคิดว่าพระศาสดาเนี่ยจะไปสู่สํานักของอาชีวกในเวลาเย็นคือเพราะฉะนั้นบนหินดาดนี่น่าเกลียดเป็นที่ถ่ายอุจระเศร้าหมองไปด้วยไม้ชําระฟันควรให้ฝนตกมันนะฝนก็ที่มันสกปรกเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปนะเทวดาก็ให้ฝนล้างเนี่ยเบ็ดเสร็จชะเรียบร้อยครู่เดียวสะอาดหมดเสร็จแล้วก็ให้ฝนดอกไม้เนี่ยตกบนหินดาดอันนั้ น, นให้ถานที่สะอาดหมดเลย พระศาสดาก็เสด็จไปในเวลาเย็นพอไปถึงพระองค์ก็ตรัส ด, ด้วยพระสุรเสียงว่าชัมพูกะชัมพูกะไอ้ใครวะมารู้ยากเรียกเราด้วยว่าทว่าชัมพูกะนะใครมาเรียกเรานะเพราะปกติจะไม่มีใครมากล้าเรียกขนาดนี้ใช่ไหมก็บอกว่าพระศาสดา ก, ก็บอก เ, อเขาก็ถามว่านั่นใครพระองค์ก็บอกว่าเราชัมพูกะบอกทําไมมหาสั ม, มณะนะคือเขานับถือนะเพราปกติเขาจะเรียกสัมมณะธรรมดาแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเขาจะเรียกมหาสัมมณะนะ ภาษาสดาก็ตรัสว่าวันนี้เธอจงให้ที่อยู่นี้ในที่นี้แก่เราสักคืนหนึ่งเธอเขาบอกว่ามหาสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีบอกชัมพูกะเธออยากกระทำอย่างนั้นเธอจงให้ที่อยู่แก่เราสักคืนหนึ่งขึ้นเชื่อว่าพวกบรนประชิตก็ย่อมปรานะรถนาบันประชิตพวกมนุษยนะ์ก็ปรารถนามนุษย์พวกปัสสตว์ก็ปรานะปรถนาะปัสสตว์อย่างนั้นเถอะก็ว่าก็ไปตามฝูงอ่ะนะฝูงไครก็ฝูงใครก็ไปหาฝูงนั้นนั่นแห้น อ้าวท่านเป็นบนรรพชิตหรือเออเราเป็นบนรรพชิตถ้าเป็นบนรรพชิตน้ำเต้าของท่านอยู่ที่ไหนเหมือนกันถ้าพีสําหรับโบกควันของท่านอยู่ที่ไหนไอพัดบกควันนะอยู่ที่ไหนล่ะได้สําหรับบูชายันของท่านอยู่ที่ไหนก็จะมีสายยันนะเห็นไหคุณนภาพวกแขกถ้าเป็นบรรณาก็จะมีสายของเขาอ่ะนะมีพระรูปแต่งั้นก็ไปนี่เขาบอกก็เอารัตคดมานี่ไงสายของท่านเหมือะนะกันนะก็ก็มีสายนะเขมีสายสินของเขาทุกคนก็มีสายสินนะเนีย ก็บอกว่าน้ำเต้าเป็นต้นของเรานี่มีอยู่แต่การถือเอาเป็นแผนกแผนกเที่ยวไปมันลําบากเพราะฉะนั้นเราจึงเก็บไว้ในภายในเท่านั้นเที่ยวไปอาชีวกก็เลยกโกรธว่าท่านไม่ถือน้ำเต้าเป็นต้นนั้นเที่ยวไปได้หรือภาษาสดาก็ตรัสว่าอาชีวอกช่างเธอเอชัมปูกะอย่ากโกรธเลยว่า ง, งั้นเธอจงบอกที่อยู่ก่เราเธอเขาก็บอกว่าโอ้มหมาสัมมณะที่นี่ไม่มีที่อยู่ว่า ง, งั้นก็บอกว่าอ้าวเงื่อมเงื้อมเขาตรงนั้นอะใครอยู่อะไงเงื้อมชะงนพานะ ก็บอกว่าในเงื้อมนั้นไม่มีใครอยู่บอกเออถ้าเช่นนั้นเราจะอยู่ในเงื้อมนั้นบอกจงรู้เองเถิดตกคืนนั้นเนี่ยพระ อ, องค์ก็พักที่นั่นบอกว่าช่วงปฐ ม, มยามเนี่ยเท้ามหาราชทั้งสี่ก็เข้ามาเฝ้านีนะก็พระองค์ก็แสดงธรรมให้เท้ามหาราชฟังนะนัชชิมยามเท้าสักกะก็มาเข้าเฝ้าปัชชิมยามเนี่ยนะใกล้จะสว่างมหาพรหมก็เข้ามาเฝ้าทีนี้อาชีวะเขาไม่ได้นอนอคืนนั้นทั้งเขาก็เวลาเรียกว่าจะมีแสงสว่างมีใครไปใครมาเขาจะรู้หมด เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็เลยแต่เช้ามืดเนี่ยเขาก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่ า, เ, าเมื่อปฐ ม, มายามนี่ใครมาเขาบอกเท้ามหาราชมาเหมืนกันเขบอกโอโ้โหท่านเยี่ยมกว่าเท้ามหาราชอีกหรือเออฉัมพูกะเราแลเป็นพระราชายอดเยี่ยมกว่าราชาทั้งหลายอา้าวมัชชิมายามนี่ใครมาเขาบอกเท้าสักะมาก็บอกมาทําไมเขาบอกมาบํารุงเราเหมือนกัน ออท่านเป็นใหญ่กว่าเ ท, ท้าสกเทวราชอีกหรือกขาบอกเออชัมปุกะเราเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กว่าเทา้าสกก็เทา้าส ก, กนั่นแหละเป็นคีลานุ ป, ปถากของเราเช่นเดียวกับสมมาเนผู้เป็นกับปิยคารกะนะเท่ากับเนนนั่นแหละเหมือนกันเอาแล้วใครเนี่ยทำป่าทั้งหมดให้สว่างในเวลาใกล้รุ่งะนะปัจฉิ ม, มายามออชนทั้งหลายมีพรามเป็นต้นในโลกจามแล้วพลังพลาดแล้วย่อมกล่าวว่าขอความนอบน้อมจงมีแก่เท้าหมหาพรหม อ า, อาศัยผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นเท้ามหาพรหมะนะเพราะฉะนั้นมหาพรหมมาเหมือนกันโอท่านเยี่ยมกว่าเท้ามหาพรหมอีกหรือก็บอกว่าเราแลเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมมหาสมณะท่านนี่น่าอัศจรรย์ก็เราอยู่ไดที่นี้ห้าสิบห้าปีบรรดาเทวดาองค์หนึ่งก็ไม่เคยมาสู่ที่บำรุงเราเลยเหมือนั้นก็เราเนี่ยมีลมเป็นผักษายืนอยู่อย่างเดียวให้การ ล่วงไปประมาณนานเท่านี้เทวดาก็ไม่เคยมาสู่ที่บำรุงเราเลยแบบนั้นขนาดกินลมนะยังยืนขาข้างเดียวอีกตั้งหากนะไม่มีใครมาเฝ้าเลยอะ่ะท้พุทธเจ้าก็ตรัสว่าชัมผูกาเธอนี่ลวงมาหาชนผู้อันตภานในโลกนะก็หลอกคนโง่อยู่แล้วบบนั้นยังปรารถนาจะลวงแม้เราอีกนะเธอเขี้ยกินอ่ะนะ คูดเท่านั้นนอนบนแผ่นดินอย่างเดียวเป็นผู้เปลือยเที่ยวไปถอนผมด้วยแปรงตามเนี่ยนะสิ้นห้าสิบห้าปีไม่ใช่หรือก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอยังลวงโลกกล่าวว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีลมเป็นผักษายืนด้วยเท้าข้างเดียวไม่นั่งไม่นอนยังเป็นผู้ปรารถนาจะลวงแม้ซึ่งเราแม้ในการก่อนเธอก็อาศัยทิฐิอันชั่วช้าลามกเป็นผู้มีคูด เป็นภิกษะเนี่ยนะนานประมาณเท่านี้เป็นผู้นอนเหนือแผ่นดินเปลือยกายเที่ยวไปถึงการถอนผมด้วยแปลงตาลแม้ในบัดนี้เธอก็ยังมีทิฏฐิอันชั่วช้าลามกเหมือนเดิมอะ น, นะเขบอกไอไอความคิดอันนี้ยมันเคยมีตั้งอดีตอยู่แล้วอ่ะ น, นะก็ยังมาทํากรรมอันนี้อีก น, นะยังมีมิจฉาทิฏฐิอันนี้อีกนะอันนี้เป็นลักษณะของพวกศีลพัตตุปาทานนั่นเองแต่อย่าลืมว่าคนที่มาถือพระแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะกรรมนี่เป็นปัใจจัยใช่ไหย กรรมเนี่ยเป็นตัดใจเนี่ยทั้งโดยอุปนิสัยปัจจัยด้วยทั้งกรรมมาปัจจัยด้วยเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้มาทุกทรมานแบบนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกกรรมที่เขาทาไว้แล้วในการก่อนนะพระองค์ก็เล่าเรื่องกรรมที่เขาไปทําอะไรให้ฟังทั้งหมดทบทวนให้ฟังพอพระศาสดาตรัสอยู่นั่นแหละความสังเวชเกิดขึ้นแกเขาฮีเรโอตปะก็ ปรากฏนะนะอัธยาศัยแห่งความมีศีลมีธรรมที่เคยปฏิบัติดีก็มาเพรางเขาก็นั่งกระโยงพระศาสดาก็โยนผ้าซาดกคือผ้าอาบน้ําให้เข้าไปเขาก็นุ่งผ้าถวายบังคมพระศาสดาพราะองค์ก็ตรัสอนุปุธิคติแก่เขาเวลาจบเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธานั่นนะถวายบังคมพระศาสดาลุกขึ้นจากที่นั่งทูลขอบรนประชาอุปสมบทเพราะอะไรเพราะว่ากรรมในอดีตของเขาเนี่ยสิ้นไปแล้วโอ้เสียงมากเลยนะ ก็ชัมภูกระนั้นด่าพระมหาขีณาศพเนี่ยคือด่าพระอรหันต์ด้วยอกโกศวัตถุ4ประการก็ไม่ในอเวจี v G เนี่ยตราบเท่าแผ่นดินเนี่ยหนาหนึ่งโยดยิ่งด้วย3ามขาวุธก็แผ่นดินหนาสัก20กิโลเมตรได้ะ น, นะถึงอาการหน่าเกลียดอย่างนี้55้าปีด้วยเศษแห่งกรรมในเพราะการด่า น, นั้นกรรมนั้นของเธอสิ้นแล้วเพราะบรรลุเป็นรปพระอรหันต์เนี่ยพระอรหัตมัครรมเนี่ยมาตัดกรรมเหล่านั้นออกไปเนี่ยนะเบียดไม่ให้ให้ผลละ กรรมที่ทําได้เธอนั้นไม่อาจจะยังผลให้สมมณธรรมที่ชัมพุกะชีวกเนี่ยทำแล้วส0 0หมปีให้ชิพหายคือบาปส่วนบาปอะบุญก็ส่วนบุญนะนะบาปก็เป็นอุปนิสัยให้มาปฏิบัติผิดเป็นแบบนั้นไปแต่อุปนิสัยที่บําเพ็ญสมมณธรรมไวสอ0หมื 20, ปีในตรสทัดนั้นเนี่ยก็เป็นอุปนิสัยให้มาบรรลุมรผลบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญเรียกว่าอัธยาถ้าเป็นเราๆนะอัธยาสัยส่วนโลกกับโลกไปอัธยาสัยส่วนโกรธก็ ขณะที่โกรธก็ไม่ใช่ขณะโลภใช่ไหมขณะที่โลภก็ไม่โกรธโกรธก็ไม่ได้ทําให้หายโลภโลภก็ไม่ได้ทําให้หายโกรธนะนนี้ก็เหมือนกันบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปอัธยาศัยที่ไปเป็นบาปก็เป็นบาปไปอัธยาศัยที่ทําบุญก็ทําบุญไปอันนี้อัธยาศัยที่บําเพ็ญสมณะธรรมก็เป็นอุปนิสัยให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นภาษาสระนี่จึงเหยียบพระหัตถ์เบื้องขวาตรัสว่าชัมพูกะเธอจงเป็นพิโสมาเถิด จงประพฤติพรหมจัจจันเถิขดขณะนั้นเองก็เพศเครือหัดของเธอก็หายไปเป็นผู้ทรงบริขารแปดประดุษพระเทระมีพรรษาหกสิบ น, นะแต่แหมตั้งห้าสิบหปีนะกินอย่างนั้นห้าิห้าปีอนะ่ะทีนี้วันนั้ น, น่ะเป็นวันที่ลูกศิษย์เข้ามาเคารพพอดีเลยเนี่ยนะเป็นวันที่ศิษย์ทั้งหลายชาวอังคะชาวมคตเนี่ยเข้ามาบูชาอาชีวกคนนี้แหละ มันก็กถือสักการะเป็นต้นมาก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะชัมพูกะผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยนะใครเนอเป็นใหญ่กว่ากันกับพระสมณะโคดมเนี่ยนะก็เลยคิดว่าถ้าพระสมณะโคดมเป็นใหญ่ชัมพูกะก็ต้องไปสํานักพระสมณะโคดมแต่เพราะความที่ชัมพูกะชีวกเนี่ยเป็นใหญ่พระสมณะโคดมเนี่ยจึงมาสู่สํานักของชัมพูกะชีวกเหมืนั้นเด้อก็ต้องถ้าใครใหญ่นะอีกคนจะต้องไปหาใช่ไหม ทีนี้นี่พระสัมมาโคโดมมาสํานักอาจารย์เราแสดงว่าอาจารย์เรานี่ใหญ่กว่ามาั้งนั่นภาษาสดาก็ทราบความคิดของมหาชนก็เลยตรัสว่าชัมพุกะเธอจงตัดความสงสัยของอุปถาของพวกเธอเสียชัมพูกะก็กราบทูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็หวังพระพุทธดํารัสมีประมาณเท่านี้เหมือนกันพระเจ้าค่าท่านก็เข้าชานที่สี่ เข้าชานสี่อธิษฐานแล้วก็เหาะขึ้นชั่วลําตาหนึ่งก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าประกาศในความเป็นภาษาวกว่าพระองค์เป็นศาสนาข้าพระองค์เป็นสาวกนี่นะกะ็กราบเสร็จก็เหาะขึ้นไปใหม่เหาะสูงขึ้นแล้วลงมากราบทําอย่างเงี้ยถึงเจ็ดลำตาเนีนะมหาชนเห็นเหตุนั้นก็เลยคิดว่าโอ้ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้น่าอัศจรรย์มีพระคุณไม่สามเลยภาษาสดาก็ตรัสกับมหาชนอย่างนี้ว่าชัมบุกะ วางสการะที่พวกท่านนำมาแล้วที่ปลายลิ้นด้วยปลายย่าขาตลอดประมาณเท่านี้อยู่ในที่นี้ด้วยหวังว่าเราเนี่ยบำเพ็ญการประพฤติบะถ้าเธอพึงบาเพ็ญการประพฤติบะสิ้นร้อยปีด้วยอุบายนี้ไซก็การบาเพ็ญะบะนั้นยังไม่ถึงเสี้ยวแม้ที่สิบหกแห่งกุศลเจตนาเป็นเครื่องตัดพัดของเธอผู้รังเกียจสกุลหรือพัดแล้วไม่บริโภค ในบัทนี้ดังนี้และพระองค์ก็แสดงธรรมว่าค น, านพาลพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายยาคาทุกๆุกเดือนเขาย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งท่านผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วนะจำให้ดีนะผู้มีธรรมะอนนับได้แล้วคือผู้มีธรรมะอนนับได้แล้วเนี่ยนะก็คือพระโสดาบันเป็นต้นนั่นเองผู้มีธรรมะอ น, นับแล้วเนี่ย เรียก ว, ว่าสังขาตะธรรมมานังเนี่ยสังขาตะก็คือการนับนะผู้นับธรรมแล้วก็บอกว่าถ้าคนพานผู้มีธรรมะยังไม่กำหนดรู้คือไม่ได้ทำปริญเยยธรรมเนี่ยนะเหินห่างจากคุณมีศีลสมถะวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยบวชในรัฐที่เดียร์ิีบริโภคโพชนะด้วยปลายาคาทุกๆเดือนที่มาถึงแล้วด้วยหวังว่าเราจะบาเพ็ญการประพฤติบะชื่อว่า พึงบริโภคโภชนาตลอดร้อยปีนี่นะคื อ, คอเรียกว่ากินอาหารปลายญ้าคายทาตัวอย่างนี้เป็นร้อยปีในกึ่งพระคถาว่าณนะโสสังขารตธรรมังกลังอักคติโศลสิงแสดงเป็นปุคลาที่ฐานว่าท่านผู้มีธรรมะอันรู้แล้วคือผู้มีธรรมะอันช่างได้แล้วเรียกว่าผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วบรรดาท่านเหล่านั้นโดยที่สุด มีในเบื้องต่าคือพระโสดาบันชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมะนับได้แล้วหรือว่าโดยที่สุดในเบื้องสูงคือพระขีณาศพเชื่อว่าผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วชนพานนั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่ส6ของท่านผู้มีพัฒน์ผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วคืออธิบายว่าก็เจตนาของคนพานนั้นผู้บ ำ, บำเพ็ญการประพฤตบะอย่างนั้นตลอดร้อยปี เป็นไปสิ้นราตรีนานเพียงนั้นก็ไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งกุศลเจตนาเครื่องตัดพัดดวงหนึ่งของท่านผู้มีธรรมะอนนับได้แล้วรังเกียจสกุลหรือพัดแล้วไม่บริโภคคือพระพระอริยบุคคลเนี่ยนะมีพระโสดาบันเป็นต้นท่านไม่ฉันอาหารบางอย่างเพราะรังเกียจอาหารเนี่ยอย่างหนึ่งคือรังเกียร์อาหารหมายเช่นถ้าว่าเป็นเช่นอุทิศมังสะคือเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงท่านเนี่ยนะท่านก็อาจจะรังเกียรและท่านไม่ฉันเนี่ยอย่างหนึ่ง หรือรังเกียรตระกูลเนี่ยนะคือท่านไม่ฉันเพราะรังเกียรตระกูลเช่นตระกูลเนี่ยเป็นผู้ที่มุ่งทําลายสงเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็ไม่ฉันอาหของตระกูลเหล่านั้นเนี่ยทีนี้ท่านเมื่อท่านไอเจตนาที่ไม่ฉันไม่ฉันอาหารอันนั้นเนี่ยนะถ้าเทียบกับไอตบะที่บําเพ็ญอย่า ง, ง น, นั้นร้อยปีอ่ะนะเามาสองสองอย่างนี่มามาม า, มาแยกกันก็บอกว่าเอาเจตนาของพระอริยะเหล่านั้นอะเจตนาที่ไม่ฉันอันนั้นเนี่ยนะ มหาหันสิบหกแล้วเอาหนึ่งในสิหกนั้นมหาหอีกสิบหไอที่ทำอย่างนั้นร้อยปีอ่ะไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกของไอที่หารไปแล้วว่างั้นพันเวลาจบธรรมเทศนานี้ก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบรรลุแปดหมื่นสี่พันเนี่ยนะก็มีถามว่าเอ๊ะประกาศอริยสัตว์ตรงไหนอ่ะนะบอกว่าคนพานพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายญาคาทุกๆเดือนอันนี้ก็ประกาศอะไร ประกาศถึงวัตตะหรือมิจฉาทิฏฐิที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งท่านผู้มีธรรมะอนนับได้แล้วคําว่าผู้มีธรรมะอนนับได้แล้วอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะคำว่ามีธรรมะอนนับได้แล้วเนี่ยนับยังไงเนี่ยถ้าในาจุลนิเทศเนี่ยจุลนิเทศที่อชิตะมานพถามพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะว่าท่านผู้มีธรรมะอนนับได้แล้วแล้วภาษาริบุตรมานิเทศเนี่ยนะ นิเทศว่าผู้ที่มีธรรมะที่นับได้แล้วเนี่ยนับยังไงก็นับว่าเนี่ยสิ่งใดสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลน้นรู้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดานะอันนั่นแหละชื่อว่ามีธรรมะอันนับแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งอั น, น้นสังขารตธรรมอ่ะนะ เนี่ยนะสังขารตธรรมสังขารตะตัวนี้ที่เรียกว่าแปลว่านับเนี่ยนะคือผูอ้ผู้มีธรรมะอันนับแล้วเนี่ยนับว่ายังไงก็นับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั่นะล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือผู้มีนับนับว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยนะ สัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาอันนี้ก็คือนับธรรม น, นะถ้าเป็นทุกขสัตว์ก็นับว่าไม่เที่ยงใช่ไหมนับว่าเป็นทุกขนับว่าเป็นอนัตตานะอันนี้ก็เป็นสัพที่บ่งถึงอุปาทานขันห้า น, นะอุปาทานขันห้าเนี่ยท่านนับแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขมันเป็น อนาตาเนี่ยอันนี้เรียกว่าการนับของท่านนะนะหรือถ้าท่านสูงบอกว่าท่านนับว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการนับเหมือนกันวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นเอ่อ ก็ใช่สลายตระนเป็นปัจจัยจึงมีภาษานะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาสรุปว่าปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมนั่นแหละเรียกว่าการนับธรรมะหรืออีกนายหนึ่งนั่นบอกว่ารู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสาท่ารู้อาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าการนับเหมือนกันรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสาท่าอาทีนวะนิสรณะ ของผัสสายยตนาหคือตาหูจมูกลิน้นกายใจอันนี้ก็ชื่อว่าการนับเหมือนกันเชื่อว่ามีธรรมะอันนับหรือนับธรรมะเหมือนกันหรือรู้เหตุเกิดความดับอาสาถาอาทีนะวา น, นิสารณะของอุปาทานขันห้าอันนี้ก็ชื่อว่าการนับธรรมะผ้าระยะทั้งหลายท่านนับธรรมอย่างนี้แล่นะก็คือนับแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันน่ะนะคือนับวันนี้ทุกควรควรทํำยังไงควรทําปริญญาใช่ไหมนับวันนี้สมุทัยควร ละและท่านก็ละด้วยนับว่านี้นิโรธควรทําให้แจ้งและท่านก็ทําให้แจ้งอะ น, นะนี้ทุกข์ห น, นี้โรธคาม่มีปฏิปทาควรเจริญซึ่งท่านก็เจริญได้จริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็นับอริยสัตว์นั่นเองเนี่ยนะก็คือแทงตลอดอริยสัตว์ถ้าอย่างที่ยกตัวอย่างว่าอานิจังทุกขังอนัตตานี้แปลว่านับอะไรนับทุกขสัตว์เนี่ยนะอันทุกขสัตว์นี่แหละนับว่าเป็นอานิจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะเพราะว่าสัจจะ โดยเฉพาะนิโรธสัตว์กับมรรคสัตว์เนี่ยนะไม่ต้องไปเจริญวิปั ส, สนาในสัจจะเหล่านั้นใช่ไหมเพราะไม่ใช่ปริญยยากิจเป็นพาเวตะปะธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ต้องเจริญขึ้นนั้นผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วนะก็ใช้คําว่านับธรรมะนะงั้นการเจริญสมถะวิปั ส, สนาเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นการนับธรรมะนะไม่ไม่เรียกว่านี้เรียกว่านับ นะดูในสังขารเนี่ยก็สังขารสังขยานะสับกลุ่มเดียวกันพวกสั์ว่าสังขยานะั่นแหละกลุ่มศับเรานะนะั่นน่ะสังขยานั่นแหละแปลว่านับอะ่ะก็สังสังขะตัวนั้น่ะแปลว่านั บ, ก, นนบก็ผู้มีธรรมะอันนับได้เรียบร้อยแล้วนะก็นับว่า ก็เรียกว่านับไงก็นับแล้วแต่ว่าคือนับอย่างล่างนับได้น้อยกว่าเพื่อนก็พระโสดาบันนะนับมากกว่านั้นก็เป็นพระสกทาคามีนับมากกว่านั้นก็เป็นพระอนาคามีถ้านับได้หมดเลยก็เป็นพระอรหันต์คำว่านับหมดคือหมดในส่วนของท่านนะไม่ใช่ส่วนของบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าพระสาวกทั่วๆไปจะนับได้เท่าพระสาริบุตรเนี่ยนะก็นับไม่เท่ากันพระสาริบุตรก็นับไม่เท่าพระปเจกพระปเจกก็นับได้ไม่เท่า พระพุทธเจ้านะก็ความสามารถก็แตกต่างกันไปแต่ว่าโดยรวมๆก็คือเนี่ยย่อๆก็คือรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัศธารู้อาทีนวารู้นิสรณะของภาษายตนาทั้ง6กเนี่ยนะั้นการรอบรู้ส่วนเหล่านี้ก็อยู่ที่ใครเพราะว่าบางคนก็รู้สิ้นเชิงบางคนก็รู้เป็นส่วนๆไปเนี่ยนะ